พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทวันนี้เป็นวันที่ 10, 14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 ก็ทําบุญแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าน้ําท่วมทางกรุงเทพก็ทําให้พี่น้องชัชทาญาติโยมทางกรุงเทพรู้สึกว่าชาซาลงเหมือนกันไม่เหมือนปีคนก่อ น, อนแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศวัดเราก็หนาวหนาวกว่าทุกทุกครั้งนะหลวงพ่อว่านะ มีน้าค้างมีน้ำค้างหล่นด้วยวันนี้แต่ตามไม่จริงมันก็ถึงหน้าหนาวของหน้าหนาวของมันแล้วนะเดือนธันวาเดือนหน้างานนี้แหละเป็นหน้าหนาวละเข้าหน้าหนาวละเนี่ยธันวามกราพอถึงกุมภาแล้วก็รู้สึกว่าจะห่างค่อยๆจางๆไปแหละแต่การปฏิบัติธรรม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 ถึงไม่ถามถึงใครจะไม่ถามก็คือความคําถามอยู่ในตัวเสร็จแต่คําตอบก็คือว่าเรามาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเรามาปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านได้จัดจรู้ธรรมท่านในบรรลุธรรมท่านได้เห็นธรรมท่านบอกว่าโลกทั้งโลกน เต็มไปด้วยความทุกข์จะหาความสุขถ้าพิจารณา อ, อันไหนคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั่นคืออะไรให้หาดูซิให้ค้นดูซิแต่นี้พวกเรามาพิจารณาดูแล้วว่าที่เราได้ค้นคว้าศึกษาดูแลว้วความสุขของมนุษย์จริงๆทิฏฐาวรจริงๆมันหาไม่เจอเหมือนกัน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 นี่หะที่ว่าหนทางที่จะหนีออกจากทุกนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านชี้นําตท่านบอกว่ามีหนทางที่จะหนีออกจากทุกได้ที่จะไม่เมาทุกมารับทุกอย่างนี้มีอยู่นี่หละพราะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านจึงได้วางทำคำสอนออกมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอน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 เมื่อเห็นแล้วมันก็ส่งภาพเข้ามาหาใจพอใจไม่พอใจถ้าเห็นรูปที่น่ารักก็เกิดความรักความชอบเกลยียดกามลาคะถ้าไปเห็นรูปไม่พอใจแสดงอากับกิริยาเขาแแหลบเล่ลปลนปินตาใส่แออสดงอารมณ์ให้เราเห็นตาไปเห็นมันก็ส่งกับผ้าใจใจของเราก็ไม่พอใจ หูถ้าได้ยินเสียงเพราะๆสงก็มาหาใจใจก็มีความสุขเป็นที่พอใจอถ้าเขาด่าเข้ามามันก็ไม่พอใจสรุปแล้วก็คือใจมันอยู่ข้างในขันห้าหะว่าขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายมันอยู่มันเป็นประตูเป็นประตูของของใจใจออกไป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 ร่างกายนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือกายใจอาศัยกายตาหูจมูกลิ้นเป็นหน้าต่างของใจในครั้งพุทธการสัมมเอสนสอนพระเถระผู้ใหญ่สอนพระเถระท่านหนึ่งพระเถระท่านนั้นท่านเรียนทางประยัตจบพระไตรปิฎก แต่ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโปธิรัตใบาลานเปล่าทั้งที่ท่านจบพระไตรปิฎกนะโปธิรัตท่านใบาลานเปล่าใบาลานเปล่าเป็นที่รู้กันว่าท่านไม่มีธรรมะในใจลักษณะอย่างนั้นท่านคุณรู้สึกเสียใจที่พระพุทธเจ้าทักอย่างนั้นท่านเออใช่เราก็ไม่มีธรรมในใจจริงๆเราควรจะ ไปหาธรรมท่านก็เลยขโมยหนีออกจากพระที่ท่านแนะนำสั่งสอนอยู่ตั้งห0 0องค์่ท่านเป็นคณาจารย์สอนศิษย์ตั้งห้าร้อองค์ท่านก็หนีไปหนีไปก็เข้าไปป่าไปเห็นพระกลุ่มหนึ่งส0สบรูปสสิว ร, รูปเป็นพระเถระและถึงตนถึงสัมมเนนพระเถระเป็นพระหันทั้งหมดในกลุ่มนั้นอยู่ในป่า ท่านก็เข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่ธว่าท่านอาจารย์ครับผมจะมาขอศึกษาธรรมะมาเรียนศึกษาธรรมะจากท่านอาจารย์แต่วท่านอาจารย์โปรดเมตตาผมด้ว ย, ด, วยด้วยครับท่านอาจารย์องค์ใหญ่ก็ท่านก็มองดูท่านวิญ า, าณทัศญาณทัศนะเนี่ยท่านรู้จักอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดเลยอะไรเป็นอะไรนี่โอ้ท่านอาจารย์เรียนจบมาทัพไตรปิโลกทั้งปริยัต บริบูรณ์แล้วจะมาให้ผมสอนได้ยังไงผมสอนไม่ได้เอาท่านอาจารย์ถึงยังไงก็สอนแนะนําผมเถอะผมมั่นใจว่าท่านอาจารย์จะสอนผมได้เอาเถอะผมก็ไม่พร้อมที่จะสอนให้ององอ ง, องต่อไปสอนก็แล้วกันไปฟังไปศึกษากับท่านนะให้คลายก็ว่าโยนลงไปก็ไปหาองค์ที่สององค์ที่สองก็โยนลงไปองค์ที่สามองค์ที่สมโยนลงไปองค์ที่ส ไล่ลงไปเรื่อยจนไปถึงเนนน้อยเไปถึงเนนน้อยองค์สุดท้ายเนนน้อยก็เป็นพระรหันต์แต่พระเถระผู้ใหญ่องค์นี้ท่านเป็นจบมาทางฝ่ายปริยัตปไตยปิฎกกล่องหมดเลยพระสูตรพระวินยัยพระประมัตถธรรมแต่ใจของท่านยังไม่ได้เป็นพระรหันต์ท่านก็ไปหาสมานเนนน้อยสมานเนนน้อยไปเรื่อยจะโยนไปที่ไหนมันองค์สุดท้ายแหละ เตน้อยก็ถามว่าท่านอาจารย์จะเชื่อผมอยู่หรือถ้าผมสอนเนออาจารย์ก็ว่าเชื่อท่านเตนน้อยบอกอะไรเราก็จะฟังเราก็จะเชื่อฟังเต น, น้อยเออท่าอย่างนั้นถ้าอาจารย์จะเชื่อผมอ่ะตามหลังผมตามตามหลังผมมาก็เลยเดินตามหลังสัมมาเอ็นไปพอไปถึงข้างทางสมมาเอ็นก็บอกว่าอาจารย์เข้าไปในป่าเนี่ แต่ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าเข้าในป่าเพราะอะไรนยไม่ได้ถามเพราะสมมเนรบอกให้ไปก็ไปเพราะว่าเราเชื่อเขาแล้วเนี่ยเอเอธรรมเนรบอกให้เข้าป่าเดินเข้าป่าเลยเดินชวบชวบกาไปในป่าสรรเนรครับคนิมนต์ท่านอาจารย์ออกมานี่ไปเดินไปอีกไปเห็นน้ําไปเห็นสระน้ําอยู่ข้างๆอาจารย์ลงน้ำนะ่อาจารย์อาจารย์ก็เดินดุมดุมลงไปในน้ําอีกเกือบผ้าจะเปีกเยกนล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 มีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่ห้ารูมีรูอยู่ห้ารูรารแล้วมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในนั้นเรียกว่าตะกวดใหญ่หรือแลนใหญ่อยู่ในนั้นอยู่ในจอมปลวกนั้นมันออกหากินอยู่ตลอดแต่ทีนี้เราจะจับเหี้ยใหญ่หรือตะกวดใหญ่ตัวนั้นเราจะจับยังไง ก่อนที่จะจับเราต้องหาใบไม้อมัดเป็นฟ่อนเอจะทําให้เป็นฟ่อนอุดรูเออุดรูสี่รูไว้ก่อนพออุดรูเสร็จแล้วก็ขุดตามรูใดรูหนึ่งเข้าไปเพื่อไปหารูดักมันอมันจะลงไปข้างล่างนะเอป็นรูดักมันจะปิดรูซะก่อนถ้าว่าไม่ปิดรูมันจะออก มันจะออกทั้งรูใดรูหนึ่งแต่ได้รูปิดซะสี่รูเอาไว้รูหนึ่งขุดตามรูนั้นเข้าไปอาจารย์ก็จะจับตัวเหี้ยได้แล้วก็จัดการเลยเจัดการกับโตเฮียนั้นเลยอาจารย์พอเข้าใจไหมที่ผมพูดท่านได้เรียนประยัดมาแล้วเนี่ยต่าเข้าใจเข้าใจสัมเณีเข้าใ จ, าใจอ้าว ถ้าเข้าใจแล้วก็นาไปปฏิบัติแน่จากนั้นท่านก็ไปนั่งเะนเนั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิถ้ากำหนดเอิ่มไม่ให้ไม่ให้อารมณ์ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายท่านดูใจอย่างเดียวนะคือตัวเฮียน่ยตัวคือใจเนียมันออกตัวเฮียมันออกไปหากินใช่ไหมล่ะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ได้นกาำเข้ามาดูดูใจตัวเดียวใจมันนึกคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลาหนึ่งจากนั้นท่านก่อนมันจะมีอะไรมัน ด, ดุกดิกดดกิมันคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดชั่ ว, ดดวอยู่ในจิตใจมันก่อนที่มันจะออกไปมันก็คิดจะก่อนมันจะส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทา ง, ทางลิ้นทางกายเพาะาะนั้นท่านเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นท่านก่อนพิจารณาใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ผลในจุดท่านก็ชำพิจารณาทุ่มลงจุดนั้นเลยปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนะใจของท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระาราหันในในวันนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ประคันรักุดีวัดปาเชื้อตะวันท่านมองเห็นเออพระโปธิลัตเนี่ยท่านกำลังภาวนาอย่างอุกฤษท่านส่งกระแสจิตมา สายจิตมาเอาลนะโปริรัตต้องพิจารณาอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะเพราะท่านโปรธิรัตรถึงท่านยังไงท่านก็จะได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านจะได้เป็นผู้สอนธรรมะให้แก่ศิษยานุศิษ์ผู้ใหญ่อีกต่อไปภายภาคหน้าองค์หนึ่งแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทรมานจะต้องให้ให้พระโปรธิรัตต์รู้จักไม่ใช่จะเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียว ต้องปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลด้วยพระองค์ทรงกระแสจิตมาทั้งการสอนพะสอนท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นจากนั้นท่านก็ได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่แนะนำสั่งสอนพระสงค์ทางด้านจิตใจมั่นใจในการแนะนำสั่งสอนของท่านองค์ท่านด้วยนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณา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 แต่พอจอมปลวกมันแตกเนี่ยตะกกดตอนนั้นก็วิ่งหาไปไปหาจอมปวกอื่นอีกอาศัยอีกต่อไปอีกทามันทามันไม่จบทามันยังรุ่มหลงอยู่แต่ถ้ามันหมดความรุ่มหลงมัวเมาแล้วก่อนนั้นแ่ละตะกวดตอนนั้นก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นบริสุท์หลุดพ้นเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรม อันตอนนี้ไปรับพรอนุมโมทนานให้พรและเจ้าภาพที่มาก็ร่วมทําบุญในวันนี้ก็อุทิศส่วนกุศลเน้อให้พอตู่ละเมอที่มรณะาภาพไปดวงวิญญาณตู่ละเมออยู่ณนะถิ่นใดที่ใดขอยมารับส่วนบุญส่วนกุศลเน้อพวกญาติพี่น้องในทําบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะขณะพระสงฆ์อนุมโมทนานให้พรให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศล